สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่เก้าสิบห้านัครับเป็นพรที่หนึ่งนะครับพรที่หนึ่งผมขอตั้งชื่อว่าบกพร่องครองแผ่นดินนะครับก่อนที่จะไปถึงพรที่หนึ่งนะครับผมอยากจะบอกว่าในพรแปดประการนี้นะครับบางคนหรือนักพิจารณาบางท่านเนี่ยเขาก็แบ่งหรือว่าจัดใหม่ครับเป็นพรเก้าประการนะครับ พร9ประการก็หมายถึงว่านัก ว, วิชาการเหล่านี้เนี่ยเขาได้นําเอามัธยบทที่5ข้อ11นะครับมาเป็นพระพอรอย่างที่ก9ครับมดมัธยบทที่5ข้อ11เนี่ยอ่านด้วยความอย่างนี้นะครับว่าเมื่อเขาจะติดเตียนข่มเหงและลินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเราท่านก็เป็นจุกนะครับอันนี้เป็นพอรอย่างที่ก9ครับพี่น้องครับเรากลับมานะครับในพร8ประการนะครับนัก ว, วิชาการบางส่วนนั้นก็คิดว่า พรประการที่เก้าเนี่ยนะเป็นพรที่ต่อนเนื่องนะครับจากพรที่แปดนะครับพรที่แปดก็พูดถึงเรื่องของพระพรที่เกิดขึ้นจากการทนทุกข์นะครับก่อนที่เราจะไปกอ่าพรประการที่หนึ่งะครับอย่าลืมนะครับคำว่า blessed นะครับ blessed หรือนั้นแปลว่า happiness นะครับ happiness ตรงเนี้ยเป็น happiness ไม่ใช่เหมือนกับ happy นะครับ happy ธรรมดาของคนชาวโลกที่เข้าใจกัน นะครับแต่เป็น Happy Ness ก็คือเป็นพรนะครับเป็นความสุขชนิดที่สูงครับก็คือความสุขที่อยู่ท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากได้เป็นความสุขที่มาจากพระเจ้าเป็นความสุขที่มนุษย์เอ้ยปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขของพระสัญญาในพระสัญญานี้เราจะเห็นว่าพรนะครับทั้ง8ประการนี้เป็นพระพรที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาชัดเจนนะครับไม่อ้อมค้อม นะเราจะเห็นว่าเงื่อนไขก็ตามนี่ที่เชื่อฟังและทําตามนะครับอยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้จะได้รับพระพรตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้นครับเราอยู่ในพรประการแรกนะครับบกพร่องของแผ่นดินอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่ห้าข้อที่สามครับและในพระธรรมลู ก, กาบทที่หกข้อที่ยี่สิบนะครับโปรดฟังโจนะของพระเจ้าบุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิ ญ, ญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา ลูกาบทที่หกข้อยี่สิบนะครับพระองค์ทอดพระเนตรแลดูเหล่าสาวกของพระองค์ตรัสว่าคนทั้งหลายที่เป็นคนยากจนก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของท่าน mm hmm. พี่น้อง ค, ครับเราเห็นนะครับว่าพระคัมภีร์สองตอนนี้ฮะเหมือนกันเหมือนกันในแง่อะไรครับเหมือนกันในแง่พรครับก็คือคนใดก็ตามที่มีความรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญ ญ, ญาณนะครับ และรู้สึกว่ายากจนนะครับก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาพระกัมภีสองข้อนี้อ่านเผยๆนะครับก็จะมีความรู้สึกว่าไม่เห็นเกี่ยวข้องกันเลยนะครับแต่เกี่ยวข้องกันครับเพราะเนื่องจากว่ามีตัวลิงก์ครับก็คือแผ่นดินสวรรค์นะครับนั่นเป็นประการแรกตัวลิงก์หรือตัวเชื่อมนะครับประการแรกก็คือแผ่นดินสวรรค์จะเป็นของคนเหล่านั้นนะครับคนเหล่านั้นที่รู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณและรู้สึกยากจนจากค้อภีสองตอนนี้นะครับ แต่สิ่งที่น่าสังเกตยิ่งไปกว่า น, นั้นน่าแปลกที่ยิ่งไปกว่า น, นั้นก็คือว่าถ้าเราดูจากคำกริตนะครับมีคำกริต2สองคำนะครับที่เกี่ยวข้องกับคำว่ายากจนนะครับคำกริตรคำแรกก็คือคำว่า fines นะครับ fines p e n e s นะครับ fines ซึ่งแปลว่าความยากจนหรือคนที่ทำงานเลี้ยงชีพหากินไปวันๆนะครับ มีเพียงพอสำหรับแต่ละวันครับแต่ไม่มีอะไรเหลือเก็บนะบอันนี้คือ fines นะครับอีกคำหนึ่งของคำว่ายักจนก็คือโทคสหมายถึงขอทานผู้อดอยากครับ <c oughs> หมายถึงคนที่ต้องไปพึ่งพาความเมตตาของคนอื่นนะครับในความจำเป็นแต่ละวันแต่ละวันในนิธของเขานะครับพี่น้องลองเดาดูครับว่ามัทติอใช้คำว่า fines f e หรือโทคสครับ มัทีบทที่ห้าข้อสมนะครับในภาษาอังกฤษนะครับใช้คำว่าโทโคสครับโทโคสซึ่งหมายถึงคนที่อดอยากหมายถึงขอทานครับหมายถึงคนที่ต้องพึ่งพาคนอื่นในความต้องการแต่ละวันแต่ละวันของเขานะครับสแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าคริสเตียนนะครั บ, รบหรือผู้ที่จะรับความสุขรับประรานของพระเจ้านะครับประการแรกเลยนะครับเขาจะต้องรู้สึกว่าหรือเขาจะต้องรู้ว่าตัวเองนั้นไม่มีกำลัง ไม่มีความสามารถเขาจะต้องถ่อมใจลงครับเขาจะต้องมอบความไว้วางใจของเขาทั้งหมดในพระเจ้าผู้ทรงสามารถที่จะทำจุนเขาได้พระเจ้าผู้ซึ่งสามารถจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นสำคัญในชีวิตของเขาได้พระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งแห่งพระพรผู้ทรงสัญญาให้กับบรรดาประชากรของแผ่นดินนั้นได้พี่น้องครับถ้าหากว่าใครก็ตามครับที่ เริ่มต้นด้วยความถ่อมใจนะครับเริ่มต้นด้วยความรู้สึกว่าตัวเองนั้นพึ่งตัวเองไม่ได้นะครับไม่ใช่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่รู้สึกว่าพระเจ้าจะต้องเป็นที่ที่พึ่งของตนพระเจ้าจะต้องเป็นที่พึ่งของเรานะครับนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นแห่งพระพรทั้งแปดหรือเก้าอาการนะครับที่กำลังจะมาถึงชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นทิสเซียนที่รู้ตัวครับว่าเขาเป็นคนยากจนข่ายวิญญาณ เขาจะได้รับพผ่อนครับได้รับความสุขโดยการรับเอาทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสัญญานะครับให้แก่ประชากรแห่งแผ่นดินสวรรค์คําว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นไม่ได้หมายถึงอนาณาจิคมหรือประเทศนะครับชาวยิวหวังว่าพระเมสสิยาจะเสด็จมากดปล่อยพวกเขาให้พ้นจากพวกพวกโรมหรือการหรือกฎเกณฑ์กฎหมายของโรมหรือการกดขี่ข่มเหงของโรมนะครับแต่จริงๆแล้วพระเยซูหรือพระเมสสิยาไม่ได้เป็นอย่างนั้น พระองค์จะตั้งแผ่นดินของพระองค์ในโลกนี้ขึ้นแต่แผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เป็นแผ่นดินที่มาได้มาด้วยอํานาจทางทหารหรือด้วยกําลังนะครับหรือตั้งอยู่ในประเทศในประเทศหนึ่งโดยเฉพาะครับพี่น้องพระเยซูตัดแง่นครับว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าในยอห์นบทที่สามข้อสามนะครับเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ ออกฟังอครั้งนะครับเรา บ, บอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ฉะนั้นบุคคลที่เชื่อไว้วางใจพระเยซูทอมใจลงและมีความรู้สึกว่ายากจนโทคสนะครับจําเป็นต้องพึ่งพาพระเจ้าพึ่งพาตัวเองไม่ได้นะครับเขาจะต้องมอบความไว้วางใจของเขาทั้งหมดนะครับใช้ความเชื่อศรัทธาของเขาเนี่ยนะครับต้อนรับพระเยซู นะครับตอนนับเยซูเพื่อที่เขาจะเป็นสมาชิกของแผ่นดินสวรรค์ น, นี้ครับเยซูทรงบังเกิดในโลกนี้ทรงถูกตรึงไว้ที่ไม้กางเขนทรงเป็นขค้ืเองหมายความตายอีกครั้งหนึ่งเพื่อเราจะมีชีวิตอีกครั้งใครก็ตามที่เชื่อในพระเยซูนะครับเขาจะเข้ามาเป็นประชากรเป็นสมาชิกเป็นส่วนหนึ่ง <c oughs> ของแผ่นดินสวรรค์โดยอัตโนมัติครับคริสเตียนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของ ผู้ทําให้เกิดแผ่นดินสวรรค์ในที่ที่เขาอยู่ทีน so so, ั่นครับโปรดฟังกั้นครับคริสเตียนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของผู้ทําให้เกิดแผ่นดินสวรรค์ในที่ที่เขาอยู่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะครับนะครับเราแต่ละคนนะครับก็เป็นประชากรเป็นสมาชิกของแผ่นดินสวรรค์เพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่รวมกันนะครับที่ใดที่หนึ่งตรงนั้นนะครับคือแผ่นดินสวรรค์ครับเมื่อเราอยู่รวมกันในบ้านก็คือสมาชิกของเรานะครับที่เป็นคริสเตียน อยู่รวมกันในบ้านที่นั่นเป็นแผ่นดินสวรรค์ครับในโบสถ์นะครับที่ใดก็ตามที่มีคริสเตียนลูกของพระเจ้าอยู่ด้วยกันประชากรของพระเจ้าอยู่ด้วยกันที่นั่นเป็นแผ่นดินสวรรค์นะครับแผ่นดินสวรรค์เกิดจากความรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณเมื่อบกพร่องนะครับกับใจใหม่ต้อนรับพระเยซูบังเกิดใหม่เขาก็ได้ครองแผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับเขาจะเป็นเจ้าของแผ่นดินสวรรค์โดยเป็นเจ้าของร่วมกัน กับองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราเนี่ยนครับพวกฟาริสีนะครับไม่ได้รู้สึกว่าเขายากจนฝ่ายวิญญาณเลยครับไม่ได้รู้สึกว่าเขาโทกคสฝ่ายวิญญาณนะครับเขาไม่รู้สึกว่าเขาจะต้องพึ่งพระเยซูนะครับเพราะเขามีกฎเกณฑ์บัญญัติที่ดีอยู่แล้วเขาคืออย่างนี้ครับอย่างนี้ภาษาวัยรุ่นก็เรียกว่ามโนครับภาษาลายก็เรียกมโนก็คือคิดไปเองครับเขาเชื่อเขาคิดไปเองว่าบทบัญญัติของเขาเนี่ยเพียงพอที่จะได้รับการอวยพรละ เขาคิดไปเองครับว่าสิ่งดีที่เขาทํานั้นทำให้พระเจ้าอวยพรเขาแน่นอนนะครับแต่เขาไม่ได้เชื่อฟังพระเยซูพระเยซูสอนพวกสาวกว่าการรับพระพรนะครับการมีความสุขแท้นะครับในฝ่ายวิญญาณนั้นเขาจะต้องเริ่มต้นด้วยการที่เขารู้จักตัวเองก่อนครับว่าความยากจนฝ่ายวิญญาณของเขานะครับต้องรู้สานภาพของตัวเองก่อนครับต้องรู้เราก่อนนะครับว่าเราบกพร่องขนาดไหนนะครับเรายากจนขนาดไหนพี่น้องครับ ให้เรามาดูชีวิตของพวกเรานะครับเราจะต้องกราบต่อหน้าพระเจ้าและยอมรับว่ายอมสารภาพว่าเรานั้นบกพร่องมากครับเราเป็นคนที่ยากจนฝ่ยนยายวิญญาณมากครับเราเป็นคนที่ไม่สมควรจริงๆนะครับเราจะต้องถ่อมใจลงเพื่อที่จะรอคอยคัพน์ของพระเจ้ารอคอยความสุขของพระเจ้ามันนี่คือพอรประการแรกครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องสริริทุกท่านอาเมน